ทรงบัญญัตินกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพวกภิกษุฉับพคกีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุฉับ พ, พักขีอยู่ฉันพัตตาหารในที่พักแรมเป็นประจำในอาวสถปินดาสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติหนึ่งพระอนุบัญญัติ บรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสองสมุดฐานเป็นเอละกะโลมะสมุดฐาน